ราคะอย่างทราบคุตคลายหรือว่าวิธีที่หลวงพอ่อจะแนะนำว่าจะเป็นไหมจะต้องดูผมก็พยายามศึกษาว่าควรจะดูอสุภะ วิธีหลักๆเนี่ยคือสติการการที่มีสติรู้เท่าทานอารมณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเพราะถ้าเราไม่มีสติแล้วจมเข้าไปในอารมณนะ์นั้นแล้วก็อารมณ์นั้นก็จะลากพาเราไปมันไม่ใช่แค่ลากพาจิตแต่มันพาเอาการกระทําไปด้วยใช่ไหมซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดความทุกข์ตามมาไอ้นอกจากสติแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะยกตอย่างเช่นที่คุณพูดถึงเรื่องอารภาพเนี่ยนะ ก็ก็ช่วยได้นะมันทำให้เราเกิดความหน่ายเกิดความคลายในสิ่งที่เห็นว่า ง, งามเราก็เห็นว่ามันไม่งามบางทีการเปลี่ยนอารมณ์การที่การที่จิตเราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความจยากจะเป็นความโกรธอาจจะเป็นจะเป็ น, จ ะ, ปนจะเป็นคนสิ่งของก็ตามที่ทำให้เราเกิดราคาหรือเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ย แทนที่เราจดจ่อยกัเสียงลกลับมาจดจ่อยที่ลมหายใจกลับมาตามลมหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆก็ได้ยกตัอย่างเช่นถ้าคุณมีสตคิคุณก็จะรู้ว่าเวลาคุณมีราคะหรือเกิดความกลัเนี่นะแม้กร่ความกลัวเนี่ยเกิดอาการขึ้นอย่างไรที่ใจเกิดอาการขึ้นอย่างไรที่กายหั ว, นะวใจเต้นเร็วใช่ไหมแล้วก็หายใจสั้นนะหายใจที่หอบขนลุกนะถ้าเป็นความกลัวหรือ การเดึงเกรงเท่ากับว่าเป็นความกรวัวหรือว่ามีราคาเกิดขึ้นเพียงแค่คุณเนี่ยกลับมาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวน้อมจิตที่ลมหายใจนะั้นแล้วก็ผ่อนคลายกายคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นนะกายที่ผ่อนคลายก็ทําให้ใจผ่อนคลายไปด้วยและการที่จิตคุณมาอยู่ที่ลมหายใจก็ทําให้มันวางวัตถุหรืออารมณ์ ที่เป็นที่ตั้งของราคะหรือว่าความโกรธหรือความกลัวอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งการแผ่เมตตา ก, ก็ช่วยได้มันมีหลายวิธีนะแต่ว่าข้อสำคัญคือว่าให้มีสติรู้ทันเป็นเบื้องต้นก่อนถ้าสติ ค, คุณยังไม่ไหวสติ ค, คุณยังไม่มีกำลังพอก็ต้องมีตัวช่วยอย่างเที่ตามาแนะนำเขาจะเป็นตัวช่วยแต่ถ้าสติ ม, มีกำลังพอเนี่ยมันเห็นปุ๊บมันก็หลุดปักออก มีการเขก็นทในระบบเยอะชครับอะไรนะการที่จะใ้มีกำลังมากพอนคือทในระบบเยอชมัในการปฏิบัติในรูปแบบใช่มอ๋อมต้องทำทั้งสองอย่างนะทำทั้งในในรูปแบบแล้วนอกรูปแบบทำทั้งการปฏิบัติที่เราปลีกออกมาเช่นเรามาเดินจงกรมเรามาสร้างจังหวด แต่แค่นั้นไม่พอทนะ่คุณต้องฝึกการปฏิบัติในชีวิตประจําวันด้วยเพราะว่าในชีวิตประจําวันคุณจะมีอารมณ์กระทบบ่อยเวลาคุณเวลาคุณสร้างจอดเดินจงกลมในห้องเนี่ยหรืออยู่ในที่แบบนี้เนี่ยมันไม่มีอารมณ์มากระทบมากมันจะมีแค่ความเบื่อความง่วงความเซ็งหรือความฟุ้งซ่านแต่ว่าในในในเวลาคุณออกไปข้างนอกเนี่ยคุณจะเจออารมณ์มากระทบมากนะคุณเดินออกไปข้างนอกคุณจะพบว่าเราของคนถูกขี่ถุกควรหรือว่า รถอ ง, ค, ออ ค, ถงออคุเนี่ยออกไม่ได้เพราะว่ามีคันจอดซ้อนเอาไว้แค่เนี่ยถ้าคุณไม่มีเสถียรภาพคุณก็โกรธแล้วมีนักปฏิบัติบางคนโอ้ยไปรัปฏิบัติสบายอยู่ในห้องจิตสงบมากเลยโลกที่เป็นของเราแต่พอไปข้างนอกเนี่ยจะขึ้นรถรถเนี่ยออกไม่ได้เพราะถูกจอดซ้อนคันโกรธ ด, ด่าว่าใครว่าเอารถมาจอดตรงนี้อันนี้เรียกว่าเผลอละนะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือภาวะที่คุณต้องปฏิบัติคุณต้องเอาการปฏิบัติมาใช้ ก็คือรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นรู้ทันความไม่พอใจที่เกิดขึ้นนะคับเพราการปฏิบัตินี่มันมันมันไม่ใช่แค่ทําในรูปแบบซึ่งก็สําคัญแต่ว่าคุณต้องออกไปเอาไปใช้เมื่อเวลาเจอผัสสะหรือเจอสิ่งที่มากระทบไม่ว่าพอใจหรือไม่น่าพอใจและมีสเตจรู้ทันมันแล้วจําเป็นต้องต้องเอาดวงจิตเข้าไปเข้าไปเข้าไปให้มันเห็นเข้าให้มัน ม, มองเช่น เค okay. นั่งสมาธิเราคิดว่าเราไหวสบายอยู่มีสติต่อดเวลาหลวงพ่อหลวงปูง่เดียวกลั บ, ลบมาเแช่น้ำร้นสเตนนะครับแล้วก็อยู่ในเรื่อง่พอ่อนั่งอยู่ในป่ามันเห็นชัดมากครับมันเห็นความกลัวชัดมันเห็นความความหวาดกลัวความทุกอย่างชัดจําเป็นไหมครับหลวงพ่อที่จะต้องเข้าไปเข้าไปสู้แบบนี้บ้างเพื่อให้จิงมันได้เห็นอะไรลึกเข้าไปครับ มันไม่จําเป็นแต่มันช่วยนะมันไม่จําเป็นแต่มันช่วยมันประโยชน์นะแล้วควรทํำบ่อยๆพระเนี่ยนะท่านก็ต้องไปออกทุดงนะท่านทําไมท่านพรท่านออกไปทุดงเป็นประเพณีหรือเป็นประจําก็เพราะว่าจะได้ออกไปเจอเจออะไรต่ออะไรที่คาดตดามไม่ได้เจออะไรที่ไม่แน่นอนเจอเจอภัยคุกคามอาจจะกระตุ้นให้เกิดความกลัวสมัยก่อนในพระนั่งทุดงไปในป่าลึกเนี่ยมันก็มีเสือนะมันก็มีช้างนะ สิ่งเานี้มันรู้แต่กระตุ้นทำให้เกิดความกลัวได้แล้วท่านก็อาศัยอาศัยสติที่ฝึกมาเนี่ยว่าจะรับมือความกลัวได้ไหมหรือใช้ความกลัวเนี่ยเพื่อมาทำให้จิตเนี่ยเกิดสมาธิคืคอเพราะนั้นเนี่ยการที่เราออกไปเจอสิ่งแวดล้อมที่คาดต้ า, ตามไม่ได้หรือสิ่งแวดล้อมที่มันอาจจะคุกคามความรู้สึกของเราแต่มาว่าเป็ น, ป, นปรนะโยชน์ที่อาายพูดเมื่อตอนเช้าว่าเนี่ย ควรจะออกไปเจอกับทุกบ้างอย่ารอให้ทุกขเข้ามาหาเรานะบางคนเนี่ยยิ่งกว่า น, นั้นคือหนีทุกหนีทุกไม่ไม่ไม่ได้นะไม่พอนะเราต้องอยู่ให้ความทุกขเข้ามาหาเราด้วยและบางครั้งต้องออกไปเจอความทุกออกไปเจอกับแรงกระทบแรงกระแทกออกไปเจอกับแรงเสศนะีอันนี้ก็เพื่อเพื่อไม่ใช่เพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อดูว่าเราเราทําได้แค่ไหนแต่เพื่อเป็นการซอ้อง นะเพราะนั่นคือความนั่นคือของจริงนั่นคือชีวิตจริงที่เราต้องเรียนรู้จากการประสบและใช้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกลบให้เป็นประโยชน์ในเมื่อนะทำได้ทำ ถ, ถูกแล้วก็เหลือแค่ราเวลาทำไปเรื่อยๆมีหน้าที่ทำก็ทำาเรื่อยใช่ไหมครับใช่ทำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอาะทาด้วยความอยากนะหรือว่าหวัง จิตใจตดต่อยแต่ ว, ว่าเมื่อไหรจะเสร็จเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงเวลาคุณเดินทางเวลาคุณนั่งรถเนี่ยถ้าคุณใจคุณคิดว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะถึงนะคุณก็จะสุดทุกข์ขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้าคุณทําไปเรื่อยๆนะทาไปเรื่อยๆหลวงพ่อเทียนท่านสอนบอกว่าทําเล่นๆแต่ทําจริงๆนะทำเล่นๆมายพราะว่าทําโดยที่ไม่หวังผลจะหลุดบ้างนะจะหลงบ้างไม่เป็นไรขอให้ทำ แต่คอยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทําจริงๆก็คือว่าทําตั้งแต่เชา้าจดเย็นเช้าจดเย็นตนกรทั่ ง, ต, งตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนะต่อไปก็ไอ้ทำให้กระังในความฝันเนี่ยอันะนี้ <c oughs> ให้เราทำไปเรื่อยๆบบนี้แหละก็ <c oughs> ทําในจนึคยหลับแล้วก็ยังเห็นว่าตื่นหับอยู่ครับตอนสติวิเดียนะครับร <c oughs> <c oughs> ู้หลับก็คือยงรู้ว่าหลับเห็นเลยว่าหลับในี้ยก็พอหลังจากนั้นก็ เยอะยในสังคมครับก็มันไม่ก้าวหน้าครับมันก็มันก็อยู่แค่เนี้ครับมันก้าวหน้าได้นะหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่ากรรมฐานก็คือการเปลี่ยนราให้กลายเป็นดีนะเมื่อคุณเจออะไรก็ตามเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์เวลาคุณเจออะไรที่เป็นทําให้คุณรู้สึกขัดใจคุณต้องเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องขัดจิตขัดใจของคุณ ขัดกิเลสให้เบาบางลงเวลาเจอสิ่งขัดใจนะเนี่ยจะไปมองว่าเป็นของแย่เป็นของไม่ดีนะมองให้มองให้ดีคือมันช่วยขัดใจคุณให้สะอาดมันช่วยขัดเก่ากิเลสให้ออกไปจากใจนะลดติดคําต่อว่างานใม่สาเร็จหรือภาษาพวกนี้เนะี่ยมันสามารถจะเป็นประโยชน์ในการที่ขัดจิตขัดใจคุณให้สะอาดมันช่วยลดละอุปทานมันช่วยลดละความยึดมั่นถือมั่นคุณได้เวลามีคนเวลาเวลาทํางานแล้ว ไม่ประสบความสำเร็จเราเราทูกเพราะอะไรเพราะเรายึดมั่นถือมั่นในความสําเร็จมันมีความยึดมั่นว่านี่เป็นงานของกูงานของกูมันก็เลยู้สึกขัดอกขัดใจแต่ถ้าคุณเวลาคุณเกิดสึกไม่พอใจเกิดความซึ้งขัดอกขัดใจขึ้นมาคุณสาวกับไปเห็นสมุทรไยว่าเป็นเพราะความยึดติดในตัวคุณไม่ใช่เพราะปัญหาที่อยู่ข้างหน้าแต่เป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในใจคุณและตังนั้นแหละมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะวางลดความยึดมั่นถือมั่นลงได้เวลาคุณโกรธ เมื่อมีคนต่อว่าคุณมันมีคนเล่นทาคุณเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะคําพูดของเขาแต่เพราะคุณยึดในหน้าตาของตัวแล้วคุณยึดว่าฉันเป็นคนดีคุณยึดในภาพลักษณ์ของตัวคุณก็เลยทุกทุกเพราะความยึดไม่ใช่ทุกเพราะคําด่าว่าของเขาถ้าคุณเห็นตรงนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นก็เป็นไปได้แต่ถ้าคุณไปขี้อยู่เสมอว่าเขาด่าที่เขาทุกเนี่ยที่คุณทุกเพราะเขาด่าคุณเนี่ยเพราะเขาคํามหน้าคํามตาคุณนี่นะ คุณจะไม่รู้จักสมุทรไทยเลยดนะนั้นต้องใช้ความสิ่งที่ขัดใจเราให้เป็นประโยชน์เอามาใช้เพื่อขัดจิตขัดใจคไา้สะอาดขัดเกากิเล็ของเราให้เบาบางแล้วก็ลดความยึดมั่นถือมั่นลงคุณา คำถามคืออะไรพอเห็นว่าข้างในมันสงบนีแล้วปัญหาคืออะไรคือหมายความว่าเราจะไปเห็นการกิดแบข้างนอกนะแต่ว่าสภาวะตัวภายในเนี่ยคือจะสง บ, บปะค่ะคือไม่กระโออกมอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องจะให้เประโยชน์ต้องเห็นความเกิดดับในใจเราไม่ได้เห็นข้างนอกเห็ <c oughs> <c oughs> นข้างนอกก็จริงนะแต่ว่าต้องน้อมเข้ามาสู่ใจเราเช่น <c oughs> อาจจะเห็น บางท่านเนี่ยท่านพิจารณาเห็นดอกไม้ที่มันเคยสวยงามแล้วมันร่วงโรยเสร็จแล้วท น, น้อมมาสู่ใจว่าเราก็เช่นเดียวกันสังขารรูปนามของเรามันก็จะร่วงโรยเหมือนกันมันไม่มันไ ม, ม, นไ ม, ม, นไม่มันไม่จีรังแกงอ ย, งอยู่พอเห็นเช่นนี้เนี่ยจิตก็ปล่อยวางความสงบเกิดขึ้นได้เพราะใจปล่อยวางเมื่อเห็นความจริงของกายและใจไม่ใช่เห็นข้างนอกนะนแต่การเห็นข้างนอกนี่ก็มีส่วนน้อมทําให้เห็นความจริงของกายและใจหรือข้างในได้ นะ ดย่าที่จะเรียนรำราช ก, การถามท่านว่ายุคปัจจุบันเนี่คนเชื่อเรื่องของหมอดูมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อเรื่องอีชงค่ะในชันเองเนี่ยค่อนข้างจะงุนงงแต่คนที่มีการศึกษาดีแต่กังวลมากกับคุณชงที่จะมาถึงในปี2558เจ้าค่ะ ท่านอยากจะขอปัญญาจากท่านว่าเราจะตอบเขาเหล่านี้อย่างไรเจ้าค่ะคือคนสมัยนี้เนี่ยอยู่กับความไม่แน่นอนซึ่งเกิดขึ้นสูงมากแล้วก็รวดเร็วมากคนเราก็ตามเนี่ยเมื่อเจอความไม่แน่นอนของชีวิตหรือของการงานเนี่ยที่ค่อนข้างรวดเร็วฉับไวแล้วก็รุนแรงเนี่ยก็จะเกิดความไม่แน่ใจ แล้วก็จะเกิดความรู้สึกอยากจะหาที่เกอะเกี่ยวที่ทําให้เกิดความมั่นมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนในยุคนี้มากและความรู้ที่คนในยุคนี้มีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยก็เลยความรู้ลึกมีเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยทําให้เขาเกิดความมั่นใจกับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนได้เลยใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่ทมาพูดแต่เช้าว่า ทุกวันนี้เรเรียนรู้แต่เรื่องโลกเรื่องทางโลกแต่เราไม่เรียนรู้เรื่องใจของตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและรู้สึกวิตกกังวลเนี่ยนะมันทําให้เขาต้องหาที่พึ่งก็เดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเขามีที่พึ่งเยอะแยะไปหมดไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เรื่องอ่าเรื่องโชคราภเรื่องเรื่องสะดอกเคราะห์นะแต่ว่ามีเรื่องสิงศัพย์สิทธิ์ที่ต้ปฏิหามากมายเรื่องชื่อมงคลนะเรื่องปีชมอันนี้ก็เป็นเป็น มันสะท้อมนมาจากความรู้สึกกังวลกับความความไม่แน่นอนแดะยิ่งคนในยุคนี้เนี่ยเขาเขาปล่อยวางไม่เป็นเนี่ยเขาอยู่ความยึดมั่นถือมั่นในในโชคในลาบในทรัพย์สมบัติมากและพอไม่แน่ใจว่าโชคลาบทรัพย์สมบัติเงินเดือนตำแหน่งเนี่ยมันจะแปลปัวหรือเปล่านเนี่ยเขายิงเกิดความวิตกวังวลไว้ถ้าคนที่เข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยหรือคนที่มีธรรมะก็ <c oughs> ここเห็นว่าไอ้ปวดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องเป็นเรื่องนอกกายใช่ไหม แต่ว่าเขาไ ม, เาไ ม, ม่เขาไม่มีความเข้าใจแบบนี้เขามีความวิตกกังวลสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องหาที่ขึ้นอย่างที่ตะมาว่าเนี่ยเรื่องไปหาไปกราบคารว ะ, ะพระพิคนเนตหรือว่าราหูไปกราบไหว้พราหูหรือว่าการทําให้มั่นใจว่าอาจจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องอีชงเลยนะอันนี้ตะมาคิดว่ามันต้องต้องกลับมาที่ ใจของตัวให้เห็นว่า1นึ่งยอรั ว, ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาให้ความพันผนปลปรากลนี่เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นแต่ยุคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วกว่ายุคสมัยก่อนและ2อเนี่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องของใอ้ทรัพย์สมบัติโชคลาภนะเพราะว่าพะขาวนี้มันไม่แน่นอนถ้าไม่แต่ก็ตามที่เราไปผูกเอาชีวิตเราผูกติดกับไอ้สิ่งเล่านี้เนี่ยนะไม่ว่าเรารวยเท่าไหร่เราก็จะมีความทุกข์เรามีความกลัวตลอดเวลา เ้าคนก็ตระหนักว่าสุขแท้ยอยู่ที่ใจนะความสุขแท้ความมั่นคงที่แท้ยยที่ใจความมั่นคงชีวิตไม่ได้ที่ทรัพย์สินเงินทองไม่ไม่ได้อยู่ที่เกีดยรติยศชื่อเสียงแต่เป็นที่ใจที่มีธรรมะคุ้มครองใจที่มีมีความเห็นความจริงเห็นความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งหรืออย่างน้อยกมีสตนะิมีปัญญาถ้าเขาเห็นตรงนี้เนี่ยนะเขาจะไม่หวัน่นไหวไปกับไอ้ความพันปนปนแปร ของบ้านเมืองของอกระแสเศรษฐกิจนะทุกวันนี้เนี่ยคนรันไปฝากจิตฝากใจไว้กับสิ่งภายนอกมากนะเราก็เลยหวั่นไหวแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ฝากใจไว้กับภายนอกล้วฝากใจไว้ในธรรมแทนเราจะไม่มีความหวั่นไหวแบบนี้ถึงเวลาที่เราถึงเวลาที่จะสูญเสียเงินทองถึงเวลาที่จเจ็บปวดเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราร่วมมันเป็นธรรมดานะอัตมาคิดว่าเนี่ยต้อง คือจะอธิบายเขาในเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ช่วยหรอกเพราะว่าหลายคนก็รู้ว่าเช่นหลายคนจะบอกว่าใช้เหตุผลพิจารณาดูแล้วเนี่ยผีไม่มีหรอกแต่เวลาไปวัดเวลาไปทิพมรกลัวทุกทีเลยเหตุผลไม่ได้ช่วยเลยอย่าว่าแต่อะไรเลยนะหมอผ่าตัดเนี่ยนะหมอผ่าตัดมีหลายคนเนี่ยขนาดผ่าตัดเล็กนะผ่าตัดเล็กเนี่ยแล้วหมอก็บอกว่านะผ่าไม่เจ็บนะคนไข้แปดสิบเปอร์เซ็น กลัวหมอบอกว่าเดี๋ยวฉีดยาชาหายเจ็บก็ยังกลัวคือเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดความกลัวของคนเลยเหตุผลที่ไม่ได้ช่วยลดความกังวลของคนเท่าไหร่นะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันอยู่ที่หัวแต่เขากลัวที่ใจเราให้เหตุผลอะไรไปเหตุผลมันอยู่ตรงที่แค่นี้มันไม่ลงมาที่ใจใจมันกลัวเหตุผลมีความรู้แค่ไหนใจก็ยังกลัว จนกว่าจะกลับมาที่ใจกลับมาดูใจเวลาหมอหลายคนที่เขาเจอเขาเจอคนไข้ที่กลัวกลัวเข็นกลัวมีดนะเขาบอกเลยให้มาดูความกลัวมาดูเส้นความกลัวเป็นยังไงเวลากลัวเนี่ยหัวใจเป็นยังไงลมหายใจเป็นยังไงพรากว่าความกลัวมันลดลงเพราะเขาได้เขาเอาเขาเขาถูกแนะนําให้ใช้สติดูความกลัวนะนี่จะมาคิดว่าไอ้เรื่องเรื่องกลัวปีชงเนี่ยนะอธิบายอย่างไรเนี่ย เขาเห็นด้วยแต่เขาก็ยังวิตกใช่ไหมเมื่อก่นหลายคนก็หลายคก็รู้ว่ารอบบุหรี่ไม่ดีนะมีกิ๊กไม่ดีแต่ก็ยังมีก็ยังลึกเสพเราได้คําว่าเฟรดิ้งคำว่ า, วาดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้นะดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ดีชั่วนี่มันอยู่ที่สมองรู้นะว่าดีเป็นยังไงชั่วเป็นยังไงแต่ใจเนี่ยมันอดไม่ได้ห้ามไม่ได้เรายคนก็รู้นะว่าไอ้บางทีก็จะรู้นะว่าเอย ไอ้เรื่องปีชงในพวกนี้นะมันมันมันไม่มีเห็นไม่มีผลหรอกแต่ยังไงใจ ก, ง ก, ก็ยังวิตกใงก็ยังหวาดกลัวแต่ถ้าเกิดให้เขากลับมาถ้าอยากแก้ปัญหาให้เขากลับมาตระหนักว่าเนี่ยกลับมาตระหนักว่าไอ้เรื่องโชคเคราะห์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นสาระประเสริฐนะแล้วถ้าเขาเนี่ยกลับมารู้ท่ดทันความวิตกกังวลของตัวและเห็นว่า ไอ้ความผัน ป, นปวนปวนแปรในเรื่องของทรัพย์สิเนเงินทองในเรื่องของโชคลาภพวเนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภยัยคุกคามต่อความสุขของเราสิ่งที่จะเป็นภยัยคุกคามต่อความสุขของเราเนี่ยคือใจใจที่หลงใจที่ไม่รู้ใจที่ยึดติดตรงนั้นแ่ละที่ทำให้เขาเนี่ยคลายความวิตกกั ง, งวลพราะเขารู้ว่ามันจะผันปวนยังไงใจเขาก็ไม่ทุกข์นะก็คือพูดง่ายคือต้องให้เขากลับมาหาธรรม กลับมทาทำอาธรรมะซึ่งสามารถจะสักสติสัปปนาได้ที่ใจของเขาขอคำามคุณซ้ายนะคะ ไปตั้งใจมากไปตั้งใจมากพยายามไปกดพยายามไปข่มอารมณ์หรือความคิดเพื่อให้มันนิ่งให้มันไม่ให้มันแปรไปไหนนะอาจจะไปบังคับกายเช่นบังคับลมหายใจพูดง่ายคือไม่ได้ทําตามสบายถ้าทําสบายๆมันไม่เหมีอาการแบบนี้นะเวลาโยนไปเพ่งเนี่ยโยนอาจจะลืมหายใจไปเรื่อยๆอาจจะกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัว นะทำสบายๆ อ, อ, อ, อย่าไปอย่าไปอย่าไปอยากให้ใจสงบลองคิดว่าเออ ม, มันฟุ้งบ้างหลงบ้างไม่เป็นไรอย่าไปกลัวผิดกลัวพลาดนะนักปฏิบัติทำจำนวนมากนี่กลัวนะักกลัวกลัวใจฟุง้งกลัวไม่อยากพยายามบังคับใจไม่ให้ไม่ใ ห, ไให้ไม่ให้หลุดไม่ให้ฟุง้งนะอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหา แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กลัวผิดไม่กลัวภาพมันจะฟุง้งมันจะหลงมากกว่าช่างมันเราก็ทําไปเรื่อยๆแต่ว่าเราจะไม่ไม่เผลอตามมันเอาเพวาะเราคงรู้จักนะคนที่ชื่อแอนทรูบิกนะแอนทรูบิกเนี่ยแกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วแกแปลกใจมากคนไทยเนี่ยทำไมเรียนภาษาอังกฤษมาเป็น10ปีพูดไม่ค่อยได้ตั้งแกเพราะว่าคนไทยเนี่ยตอนนี้คนไทยเนี่ยความสามารถในภาษาอังกฤษเนี่ยแกบอกว่าคนไทยชอบเล็ขมงคลนะจึงได้อันดับเก้า ของสิบนะดีกว่าดีว่าลาวลาวที่สิบไทยเก้าเพราะคนไทยชอบเลขมงคลนะเขาบอกคนไทยเ ร, รียนภาษาอังกฤษมาม า, มาเยอะแต่สมัยพูดไม่ได้แล้วแกพราะคนไทยกลัวผิดกลัวผิดเลยไม่กล้าพูดนะและนี่คือปัญหาคนไทยมากเพราะคนไทยเนี่ยกลัวผิดกลัวกลัวกลัวผิดกรัมมากกลัวผิดเทนส์นะแล้วแกวันเนี่ย แกก็เคยกลัวนะเวลาเป็นคนตอนที่แกมาพูดภาษาไทยเนี่ยแกกลัวผิดแต่ตอนหลังแกแกบอกว่าพอแกกลัวผิดก็เลยไม่พูดไงแต่ตอนหลังแกเปลี่ยนใหม่ว่าแกพร้อมที่แกแกไม่กลัวผิดแล้วแกพร้อมที่จะพูดผิดก็ช่างมันผิดแล้วก็แก้ผิดก็แก้แกก็พูดไทยได้คล่องนะแล้วประสบการณ์การสอนสื่ของแกเนี่ยพบว่าคนไทยเนี่ยนะก็เหมือนเป็นเหมือนแกต่อมาใหม่ๆคือว่ากลัวผิดแต่ถ้าเกิดกล้าพูดนะโดยที่ไม่กลัวผิดนะความรู้ภาษาอังกฤษคนไทยก็จะดีขึ้น แ ก, กพูดกับผู้ว่าเนี่ยมันต้องกล้าผิดและต้องผิดบ่อยๆเนี่ยมันจะพูดเป็นนะนี่หลักในการสอนภา ษ, าษาเขียนแกเลยนะคือต้องกล้าผิดและผิดบ่อยๆมันจะทําให้พูดเป็นทําให้มีพัฒนาการทางภาษามีการปฏิบัตททิทาำท้ายกันเลยนะกล้าอยากทำหลายคนเนี่ยกลัวกลัวฟุง้งพยายามบังคับจิตไม่ให้ฟุง้งนะก็เลยสติเลยไม่เจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเราลองปล่อยซะบ้างนะปล่อยใจบ้างให้มันมันจะฟุ้งบ้างก็ช่างมาันแต่ว่า รู้ทันหน้าที่ของเราคือรู้ทันนะไม่ใช่ใจไม่ฟุ้งแต่ว่าฟุ้งเมื่อไหร่ก็รู้ทันมันจะฟุ้งไปกี่ครั้งจะฟุ้งไปนานเท่าไหร่ก็คอยรู้ทันรู้บ่อยๆสติก็จะไวความรู้สึกตัวก็จะมาก็จะก็จะมาไวจะรู้ทันความโกรธบ่อยๆต้องเจอความโกรธเยอะๆมันถึงจะรู้ทันบ่อยๆจะรู้ตัวบ่อยๆต้องหลงบ่อยๆมันถึงจะรู้ตัวบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลงบ่อยๆมันก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้รู้บ่อยๆนะ การฟุ้งบ่อยมก็ดีมันการทำให้รู้ทันความฟุ้งได้บ่อยๆและเมื่อรู้ทันความฟุ้งได้บ่อยๆมันก็ทําให้มีสติดได้ได้ไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตมาคิดว่ า, าบางทีเราต้องยอมนะอย่า ก, กลัวผิดอย่า ก, กลัวพลาดนะมันจะฟุ้งมั่งช่างมันเราทําไปเรื่อยแต่ว่าเรากลับมารู้ทันเสมอใช้หลักอย่างนี้ในการเรียนภาษาอังกฤษยอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นก็ควรใช้หลักนี้ในการปฏิบัติธรรมกันนะเราสติเราจ ะ, จะเจริญ อ, อเพราะเธอที่บอกทำเล่นย ทำเรื่เล่นคือว่าไม่ต้องหวังผลมันจะฟุ้งบ้างมันจะหลงบ้างช่างมันทําไปเรื่อยๆทําไม่หยุดนะเหมือนกับคนที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยพูดไม่หยุดพูดเรื่อยพูดผิดพูดถูกช่างมันนะแล้วมันจะดีขึ้นนะแต่พูดผิดเนี่ยเพราะแล้วมีคนแก้นะไม่ใช่พูดผิดแล้วไม่มีคนแก้ก็ก็มันก็ผิดไปเรื่อยๆนะแต่จะมีคนแก้แล้วก็ตอบเมื่อเขารู้ว่าเราพูดผิดถ้าเราไม่พูดเลยเขาจะรู้ได้ไงว่าเราพูดผิดแล้วเขาจะแก้ได้อย่างไร แต่ว่าในกรณีปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีใครแก้ให้เราเราแก้ด้วยตัวเราเองก็คือว่าหลงทุกทีก็รู้ทุกทีนี่ยไม่ต้องไปกําจัดความหลงเพียงแค่เปลี่ยนความหลงให้กลายเป็นความรู้หลวงพ่อคำแก่นท่านจะพูดสุดสมว่าเปลี่ยนความหลงให้กลายเป็นเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้เปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนโกรธเป็นความไม่โกรธไม่ใช่กําจัดไม่ใช่ห้ามแต่แค่เปลี่ยนต่างกันนะไม่ใช่ห้ามหลงแต่ว่าเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้ ไม่ใช่ห้ามฟุง้งแต่ว่าเปลี่ยนฟุ้งให้กลารเป็นความไม่ฟุง้งนะให้เราเนี่ยปฏิบัติแบบนี้ไปนะมันก็จะกลาวหา้าที่สุดนี้นะคะของกับของคุณค่ะอาจารย์